พระธรรมเทศนาแผนที่109ราลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่22มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าอยู่ในหน้าที่ใดทำให้ดีที่สุดวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมาหามงคลอย่างยิ่ง ตีหลืมงหลวงพ่อเองได้รับนิมนต์ เ, เนื่องด้วยมณฑนฐานบกที่24กำหนดจัดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนามณฑนหนานบกที่24ครบรอบปีที่99โดยจัดให้มีการประกอบพิธีสงฆ์ณนะบริเวณด้านหน้ากองบัญชาการ บนทนทหารบกที่24และพิธีเปิดซุ้มประตูแห่งความจงรักภักดีวงเล็บช่องที่หนึ่งในวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2560อันนี้คือวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลคือรรสรุปแล้วก็คือประตูเป็นที่ รู้จักคนที่จะไปที่ไหนก็ต้องมีป้ายต้องมีสมประตูบอกกล่าวอันนี้ก็คือมณฑนทหารบกที่ยี่สี่ความเป็นมาของมณฑนทหารบกก็อย่างที่โคศกได้พูดได้กล่าวว่าอรอห้ารัชการที่ห้าได้ส่งพระราชโอรสของโะองคือกรมประจักษ์ศิลปาคม เ, เข้ามา <c oughs> เป็นนายพลทหารพลตรีนะ มาเป็นนายหน้าม า, นมายืนมาเยือนทัพตะกอนก็ท่านก็มาประจำการอยู่ที่จังหวัดหนองคายเห็นว่าสมัยนั้นกฎระเบียบของทหารไม่อยู่ใกล้กันอาจ จ, จริงๆกันได้ง่ายท่านกเ็เลยทุกทหารก็เลยทั้งสองฝ่ายต้องขยับออกมาจากฝั่งชายแดนแต่ท่านก็มองไม่เห็นที่ไหนท่านก็มองไม่เห็น จังหวัดอุดอรของเราเนี่ยสมัยนั้นคือตรงนี้เป็นบ้านหมักแข้งเออเ ป, เป็นบ้านหมักแข้งเป็นบ้านหมู่บ้านหนึง่งแต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อก็ยังชมชมท่านกรมหลวงไปจากศิลปาคมว่าท่านเป็นผู้มีสายตาพระเนตรพระกันกว้างไกลว่าไรท่านมองได้ยังไงจึงมาตั้งเมืองอยู่ตรงนี้พอเรามาอยู่ขณะเดียวนี้นะถ้ามาอยู่ที่หลังท่าน เรามองไปทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้โดยใ น, ในสมรภูมิพงนุ่นทำเลที่ดีมากเลยกว้างขวางและก็มีแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์อีกต่างหากนี่แหละพระ อ, องค์ท่านมีพระเนตรประกันได้สร้างเมืองอุดรขึ้นมาจากนั้นท่านก็มีต่างตั้งหน่วยทาหารขึ้นมาอย่างตรงนี้แหละ เ, เป็นพระ อ, องค์ท่านเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้มีพระปีชาสามารถที่จะ ยืนอยู่จุดนี้แล้วค่คอศสกได้พูดแต่หลวงพ่อก็เพิ่งได้ยินเนีข่าวนี่แหละที่ว่าท่านมายืนหยัดพราพวกนั้นข่าวนั่นก็คือพวกฮอ่อพวกจีนฮอหออะไรเนะี่ยเดี๋ยวนี้หายไปไหนก็ไม่รู้เกลุ่มนั้นนะ่ะแต่หลวงพ่อได้ยินแต่สมัยเป็นเด็ก เ, เป็นแดนเขาบอกว่าพระเจ้าองค์ตื่นพระพุทธรูกที่อำเภอท่าบ่อนะมีพวกจีนฮอหลวงปู่ล่าเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังโอ้ดาบ ดาบเขาเก่งจริงๆนะท่านว่านะหลงปู่ล่านะเขามาฟันไหลไหลไหลพระเจ้าองค์ตื่นนะฟันเป็นรูโว่เลยท่านว่านะเอเหมือนกับมีดฟันเลยอแต่เดี๋ยวต่อมาเขาก็เลยเอาเอาทองเนี่ยเอาไปเชื่อมเสร็จแล้วเขาก็ไปขัดเดี๋ยวนี้ก็มองไม่เห็นน่ะเขาทานั้นเรียบร้อยแล้วอันนี้หลงปู่ล่าเราเล่าให้ฟังนะพ่อนจีนห่อสมัยนั้นะนี่แหละอันนี้ก็คือบ้านเมืองที่จะมาเป็น เป็นพึกแผ่นได้อย่างทุกวันนี้พวกเราขึ้นมาอยู่ชุดท้ายภายหลกภายหลังก็มีได้รับความสะดวกสบาย เ, เพราะนั้นท่านผู้การหน่วยที่เป็นประธานนะปีที่ท่านทราบควาหลวงพ่อมาถึงทราบว่าท่านได้เป็นพลโทแลนะหลวงพ่อขอแสดงความยินดีด้วยที่ท่านได้เป็นพลโทนะและก็พร้อมกันวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลท่านผู้วารชการจังหวัด ท่านเชียววนีจันทร์ธรท่านก็มาร่วม ง, งานแล้วกับหัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วยเห็นมือเกียนี่ยแฟบ แ, บแบเห็นโยมผู้การจังหวัดเป็นทหารเอเป็นตำรวจก็มาด้วยเนี่ยเอ่แต่ยังไม่ได้พบกันนะกับหลวงพ่อแล้วก็เอ่ทุกหน่วยทุกเหล่าได้มาร่วมมารวมกันแสดงพลังเอสรุปแล้วก็คือทําหน้าที่เอ่พวกเราเพื่อปกป้องประเทศชาตินะเอ่ยท่านผู้การ ผู้การมวยท่านพนโทของท่านเรารักษาเป็นรั้วของชาติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขั้นกด็ดูแลภาพรวมของจังหวัดอุดรท่านผู้การตำรวจท่านก็ดูแลสันติสุขสันติราษฎร์ปกป้องพี่น้องประชาชนสรุปแล้วก็คือทุกหน่วยทุกเหล่าอย่างหลวงพ่อที่อยู่ปานรงพงไพ่นะหลวงพ่อก็ดูแลอีกมวลหนึ่งเหมือนกันดูแลศรัทธาญาติโยม ลูกหลานที่เข้ามาจะทํายังไงลูกหลานจึงจะเป็นสัมมาทิฐิคิดไปในทางที่ดีทําไปในทางที่ดีพูดไปในทางที่ดีหลวงพ่อก็มีหน้าที่ที่จะดูแลปกป้องประเทศชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกมุมหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกท่านอยู่ณมุมใดอยู่ณที่ใดอยู่ในชุมชนกลุ่มใดนี่มีหน้าได้รับหน้าที่อะไรเราขอให้ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด คิดให้ดีทำให้ดีพูดให้ดีอย่าให้มีปัญหาอย่าสร้างปัญหากับประเทศชาตินะหลวงพ่อในพูดในฐานะเป็นเป็นรุ่นพี่นะอย่างที่หลวงพ่อพวกเราเป็นข้าราชการยังทำการทำงานอยู่ถือว่าเป็นน้องของหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเป็นรุ่นพี่อายุปีนี้72ปีแล้วคณะสัทยาญาติโยมแล้วก็วันที่27เมษาเนี่ยครบพร้อมบพอดีนะ ทางว่าผูดด้ใดจะไปกินข้าวต้มขนม ก, นกินก๋วยเตี๋ยวกับหลุงพ่อขอเชิญนะไม่มีบัตรเชิญแต่ว่าขอเชิญด้วยคําพูดของลุงพ่อนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านไปร่วมกินข้าวต้มขนมกับลุงพ่ อ, อได้ยินปานทงองโป่งไปแต่ละปีเนี่ยก็รู้สึกว่าโรงทานก็เป็น100 200โลเหมือนกันนะลุงพ่อจะเลี้ยงเต็มที่เลยวันนั้นนะขอเชิญนะจุลานคณะศสถาญาติโยม แต่ถึงยังไงก็ตามนะพูดที่อยู่ในหน้าที่ใดก็อย่างที่หลวงพ่อหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเราอยู่ในสถานในสถานะลูกเราก็อยู่ในทำหน้าหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดเราอยู่ในสถานะพ่อก็ทำหน้าที่หน้าที่พ่อให้ดีที่สุดเราอยู่ในสถานะประสบในก่อนเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเราเป็น พลละเมืองของประเทศชาติชาติไทยอยู่ในกลุ่มไหนเป็นพ่อค้าประชาชนขรรดาการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเราเป็นพระสงฆ์องค์เจ้ า, า <c oughs> ก็อยู่ในสถานะให้อยู่ในหลักพรัฒรมวินัยอยู่ในกรอบของใครของเราอย่า ก, ก้าวกายกันถ้าก้าวกายกันเออมันไม่ดีการเกิดการทะเลาะพิวาากันได้ง่ายแต่ถ้าต่างคนต่างอยู่ก็ร่มเย็นเป็นสุขนะถ้าว่าเราก้าวไกลกันก็เหมือนกระลิศอยู่ในปากฉะนั้นะ เออทำไมลิ้นมันังโผล่ออกมาฟันมันกกัดละไรสินะเออทำไมฟันจะไปกัดลิ้นฮะสรุปแล้วก็ถ้าว่าฟันก็อยู่ของฟันลิ้นก็อยู่ของลิ้นนะอยู่ในกรอบของใครของเรามันก็สงบพร้อมเย็นเป็นสุขได้นี่ก็เหมือนกันพวกเราอยู่ในสถานะไหนก็ขอให้พวกเราทุกทุกท่านอยู่ในสถานะของตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมรักษากฎหมายบ้านเมือง รักษาประเทศชาติบ้านเมืองอย่างพระพุทธศาสนาอย่างหลวงพ่อเองก็จะรักษาพระธรรมคําสอนของพุทธะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้อย่างไงท่านสอนโลกอย่างไงทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขเพราะพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าท่านว่าให้อย่าเบียดเบียนกันเน้อให้รักกันเมตตากันเน้อให้อยู่ในอยู่ในสถานะไหนก็ให้มี ความร่มเย็นเป็นสุขให้มีเมตตาต่อกันทั้งโลกทั้งโลกอยู่ด้วยความมีน้ําใจต่อกันมีเมตตาต่อกันรักเอื้อเฟื้อเอื่ออารีต่อกันโลกทั้งโลกก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขท่วดหน้ากันหรือณนะวันนี้นะถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลออกจากนี้ไปเมื่อพระสงฆ์ชั้นพัทหารเสร็จแล้วก็คงจะเริ่มพิธีเปิดเอ ส่งเปิดป้ายเอขอเชิญทุกท่านเนืท่านผู้ว่าจะพึ่งกลับนะท่านผู้ว่า <c ười> ปีเน เ, เปิดเปิดป้ายมีครั้งเดียวเท่านั้นแหละจะกนี้ไปไม่รู้วันไหนจะได้เปิดอีกข wow อให้ท่านผู้ว่าและส่วนราชการทุกหน่วยทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหลาห่าร่วมร่วมกันก่อนหลวงพ่อถ้าไม่เสร็จหลวงพ่อถ้าไม่เสร็จก่อนหลวงพ่อกับคงจะไม่กลับวัดเหมือนกันแล้วหลวงพ่อกัคงจะเสร็จสักก่อนทุกอย่างจึงจะเดินทางกลับ การกล่าวสมทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอจุตีไว้เปลี่ยนเท่านี้ก่อนเนอ